เรื่องที่ 9. เสียดายที่อายุอย่างน้อยพูดถึงเรื่องอายุไขในบทก่อนนั้นบางท่านอาจรู้สึกเสียใจนิดที่คิดว่าตอนเองเกิดมาในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่คนมีอายุไขเหลือเพียง75ปีหรืออยู่ในงบ100ปี10ปีรู้สึกว่าช่างน้อยเหลือเกินเกิดมาแผลบลประเดียวเดียว ก็จะจบเกมเสียแล้วถ้าหากได้เกิดในยุคคนอายุ8 0 0 0 0ปีก็คงมีเวลาสนุกสนานกว่านี้ผมอยากเรียนเสนอข้อคิดเพิ่มเติมเผื่อท่านที่ยังไม่ได้คิดจะได้คิดให้สบายใจว่าอันที่จริงคนเกิดมาในยุคนี้ก็ไม่ได้เสียปเปรียบคนยุค8 0 0 0มปีกี่มากน้อยจะพูดว่าพอๆกันก็ได้เพราะเหตุสามประการคือประการที่1 เรื่องระยะเวลาเราลองคิดเล่เลนๆว่าตามหลักวิชาท่านว่าโลกเรานี้หมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นกลางวันกลางคืนคือถ้าซีกใดหมุนไปตรงตะวันซีกนั้นก็เป็นเวลากลางวันซีกที่ไม่ตรงตะวันก็มืดเป็นเวลากลางคืนมันหมุนอยู่อย่างนี้365วัน 365คืนก็เป็น1ปีทีนี้เมื่อสมัยล้านปีมาแล้วนนโลกเรานี้หมุนเร็วมากเพราะมันหมุนมายังไม่นานแรงเหวี่ยงมันยังมีมากครั้นหมุนมาหมุนมาเป็นเวลาหลายล้านปีเข้าแรงเหวี่ยงมันก็ค่อยๆหมดไปโลกก็หมุนช้าลงช้าลงเหมือนเราหมุนลูกข่างนั่นแหล แรกๆ ก, ก็หมุนติว้วดูแทบไม่ทันแต่พอนานๆเข้าก็หมุนช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดหมุนในที่สุดโลกเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นวันคืนเดือนปีของคนยุคเมื่อหลายล้านปีนอนจึงสั้นกว่าเดี๋ยวนี้ราวๆแปดหมืนเท่านี่คิดเอาง่ายๆผิดถูกไม่รับรองแต่เรื่องมันว่าอย่างนี้ และด้วยเหตุนี้ระยะเวลา 80,000 ปีครั้งกระโนนก็เท่ากับ80ปีของเราเดี๋ยวนี้แหละระยะเท่ากันแต่นับจํานวนมืดและสว่างได้มากกว่ากันเท่านั้นเองเหมือนทางจากกรุงเทพไปนครปฐรมคนโบราณบอกว่าไกลถึง 1,250 เซนแต่คนเดี๋ยวนี้เราว่า50กิโลเมตรจํานวนตัวเลขต่างกัน แต่ความยาวของทางก็พอๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคนอายุ80ปีทุกวันนี้ก็ได้มีชีวิตนานเท่า 4,000 ปียุค ก, ก่อนนั่นเองคิดอย่างนี้ของเราทุกวันนี้ดีกว่าของคนสมัยก่อนเสียด้วยซ้ําเพราะของเราจําง่ายดีประการที่2ธรรมชาติช่วยย่อเหตุการณ์ในชีวิตให้คนเราไม่เสียเปรียบกันเลยหมายความว่า คนที่มีอายุ80ปีทุกวันนี้ก็ได้ผ่านเหตุการณ์ในชีวิตพอๆกับคนยุค80 0หมื่นปีเหมือนกันผมเองคิดว่ามันกระทัดรัดดีเสียด้วยซ้ำอย่างเช่นสมัยโนนคนจะแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวก็ต่อเมื่ออายุ500ปีจีบกันอยู่300ปีกว่าจะตกลงกันได้มั่นไว้200ปีจึงจะแต่งงานรดน้ำแล้ว100ปี จึงจะส่งตัวอุ้มท้องอยู่200ปีจึงคลอดลูกโถใครจะทนไหวมันไม่ทันใจเหมือนสมัยนี้15ห้ายกยกสิหย่อนๆย่อนก็ชักคันเนื้อคันตัวแล้วจีบกัน7 8ถึงวันก็ตกลงทองมั่นขันมากรถน้ำส่งตัวจดทะเบียนวันเดียวเสร็จเรียบร้อยอุ้มท้อง8 9ถึงเเดือนก็คลอด คลอดแล้วอยู่ไป10วัน15ห้าวันก็ไปเที่ยวทําหนุ่มทําสาวได้นึกนึกดูแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารคนสมัยก่อนยิ่งท่านึกไปถึงในทางทุกข์ทรมานก็ยิ่งหน้าหวาดเสียวมากมันนานหรือเกินเขาต้องปวดท้องถ่ายอุจจาระทีตั้ง20ปีปวดฟัน30ปีเกาหลัง10ปีและถ้าติดคุก มีล่อเข้าไปตั้งพันพันปีหรือประการที่3ผิดถูกโปรสังเกตดูก็แล้วกันทุกวันนี้คนอายุสั้นเข้าแต่ธรรมชาติก็ช่วยย่นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยคนเดินทางจากอุบลมากรุงเทพสมัยก่อนใช้เวลาสาเดือนเดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินจิ้มฟันยังไม่ทันจะเสร็จก็ถึงกรุงเทพแล้วมารถไฟก็สิบกว่าชั่วโมงเท่านั้น ที่น่าสรใจกว่านี้ยังมีคุณลุงอินที่ลาดหลุมแก้วประทุมธานีบอกผมว่าเมื่อคุณลุงยังหนุ่มนั้นพายเรือออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่จึงจะทันเลี้ยงพระเพลนที่วัดสะแกลักเม็ดแต่เดี๋ยวนี้พายเรือขนาดเดิมตามคลองเดิมและมีน้ำเท่าเดิมออกจากบ้านเช้าอย่างเดิมไปถึงวัดพระยังไม่ทันฉันจังขันเสียด้วยซ้า ระยะทางอื่นๆก็ยังมีคนเล่าให้ฟังอีกมากแค่ตลาดน้อยมาภูเขาทองยังต้องค้างคืนกลางทางเขาว่าอย่างนั้นแต่พวกเราเดี๋ยวนี้ไปกลับวันละ1ิบเที่ยวก็ยังไม่คำ้ำที่ว่ามานี้มันเป็นเศษความคิดอันเนื่องมาจากเรื่องอายุขายของมนุษย์ผมเองไม่คิดเลยว่าอายุของเราทุกวันนี้เสียเปรียบคนยุค8ห0ปีผี่ถูกไม่รับรองครับ แต่คิดแล้วสบายใจดียิ่งคิดไปถึงว่าก ร, รมที่คนทำในยุคนี้ก็ให้ผลเร็วกว่าสมัยก่อนสังเกตดูเถอะครับดีชั่วเชิงกันในปัจจุบันทันตาเห็นแทบทั้งสิน้นคิดแล้วใจสงบดี